ขอนอบน้อมต่อคุณพระธนตรัยเขากาศพระอาจารย์ทรงศิน์เพื่อนสัตมิกจเจริญธรรมแมชีและญาติธรรมทุกทุ ก, ท, กท่าน <c oughs> นะช่วงนี้เมื่อคืนก็รู้สึกฝนจะตกหนักเนา ะ, ะประมาณเที่ยงคืน <c oughs> ตกหนักอยู่นะเพราะตอนช่วงหัวค่ำนี้ก็ค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆ ก็ตกก็ยังนึกเป็นห่วงโอ้คนที่เขาอยู่เต็นท์นี่ก็จะเป็นยังไงเนาะคงจะลำบากแย่เพราะเต็นท์บางอย่างที่ถูกๆเนี่ยมันจะกันฝนไม่ได้นะฝนมันก็ซึมเข้าไปได้นะฝนตกที่ไรก็นึกถึงคนอยู่ในเต็นท์เป็นประจำว่าเขาจะเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยบางบางสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสปายะ ต้องอยู่ที่เป็นที่เรียกว่าเป็นที่ส่วนตัวนะเหมือนกับเราอยู่ในเต็นท์เนี่ยเราก็เป็นที่ส่วนตัวของเรานะอาจจะไปอยู่ในตามที่เราต้องการจะปฏิบัติธรรมใกล้ชิดไดนะ้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็มีที่เดินจงกรมได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองทั้งวันนะแล้วก็แยกกไปเป็นส่วนตัวนะอันนี้ก็เป็นส่วนดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ อไปอยู่เต็นท์นะจะได้มีเวลาของตัวเองอย่างเต็มที่นะแต่คนที่อยู่กุฏิก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไห อ, อทุกๆอย่างก็ทําได้หมดนะขอให้เราเข้าใจในการปฏิบัติเท่านั้นเองนะบางทีก็มีคนมาหาบอกว่าไม่มีเวลามาอยู่วัดเนี่ยอยากจะมาอยู่วัดมากอยากอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าไม่มีเวลาหรอก นะเพราะว่ามีกิจการงานเยอะเนะ้วบางคนก็อาจจะครอบครัวก็ไม่อยากให้มานะมาแล้ว ก, ก็ไม่สบายใจกันไม่อยากให้มานะี่ก็คิดว่าวัดเนี่ยก็ควรจะต้องมาอยู่ปฏิบัติเนะี่ยเพราะเป็นสถานที่ส ป, ปายะนะนะก็เลยต้องที่ายก็ฟังว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีเวลาเราก็ค่อยมานะนะมีเวลาว่างจริงๆก็ค่อยมานะ จะได้สบายใจนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลามาก็ไม่เป็นไรเราสามารถอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนะให้เราเข้าใจวิธีการปฏิบัติเนะี่ยเรก็ต้องอธิบายว่า เ, ออเขาก็บอกว่าเขาก็อาศัยการนั่งสมาธินั่นแหละแต่ปฏิบัติเราจิตไม่สงบเลยนะอยากจะมาอยู่วัดนะปฏิบัติสมาธิแล้วก็หลังจากที่ปฏิบัติมารู้สึกจิตไม่สงบเลยปฏิบัติต้องสามสี่ปีแล้วนะ ก็เลยบอกว่าเออที่วัดนี้เขาก็ไม่ได้ให้จิตสงบนะนะไม่ต้องให้จิตสงบหรอกแต่อาศัยว่าให้มีสติรู้เท่าทันนะในอาการต่างๆของกายและใจนะซึ่งมันก็ง่ายกันต้องเยอะนะเห็นไหมเขาบอกก็ไปบัตรมาต้องสี่ปีนี่เขายังมีความโกรธอยู่มากเลยนะมีความโกรธมากนะ ก็บอกว่าเออนั่นแหละเพราะว่าเราไปปฏิบัติสมาธิแล้วมันก็ไม่สงบจริงๆนะมันก็ไปกดดันจิตตัวเองนะพอเราอยากสงบมันไม่สงบมันก็เกิดความจิตมันมีการกดดันอยู่ในตัวเนี่ยมันมันจึงมีอารมณ์ต่างๆได้ง่ายนะอารมณ์ต่างๆมันแสดงออกเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้านั่นแหละหญ้ามันโดนหินทับเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายหรอกแต่พอเอาหินออกมันก็โตอย่างเก่าหรือจะโตกว่าเก่าด้วยนะ เราแค่ไปทําจิตให้สงบเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้สงบจริ ง, รงๆเนีมันก็ไปทับมานาันเอาไว้นะไปกดมานาันเอาไว้นะพอออกมามื่มันยังเก่าเนี่ยพอเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ของเราเองนะแต่การที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยมันสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของเราได้ตลอดเวลานะเราไม่ต้องไปนั่งสงบสงบที่ไหนก็ได้เร า, อ ย, าอยู่ที่ไหนนะจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรนะแต่เราสามารถสังเกตจิตใจของเราได้ไหม ว่าขนานี้จิตใจของเราเนี่ยกําลังหงุดหงิดกําลังขัดเคืองกําลังไม่พอใจนะกำลังโกรธเนี่ยสาคัญที่เราสังเกตเข้าได้ไหมนะสําคัญที่ว่าเราดูอาการของจิตทันไหมนะไม่ใช่ความสงบไม่แต่อย่างใดนะเพราะถ้าเราสงบมันก็สังเกตไม่ทันหรอกเพราะมันก็เป็นแค่หินทับย่านั้นเองมันก็แค่นิ่งๆสงบสงบอยู่นะแต่การความโกรธมันก็ยังอยู่ภายในยังฝังอยู่นะบางทีมัน ปอให้มันเก็บมากๆเนี่ยไปกดดันมันไว้่างมากเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันก็ระเบิดตูมออมานะระเบิดตูมปุ๊บนี่ก็มีปัญหาตามมานะบางคนนี่ก็ทําร้ายคนอื่นก็มีนะหรือไม่ก็อาจจะไปฆ่าคนอื่นตายได้นะเพราะจากการนี้มันระเบิดขึ้นมานะอย่างสมัยก่อนนี่ก็อาตมาเคยมีเพื่อนคนหนึ่งตอนเป็นนักเรียนโอ้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยโกรธใครนะ เพื่อนๆก็มักจะไปแย่เขาอยู่ประจำไปแก้งมั่งไปแย่มั่งไปรอนเรียนมั่งอะไรเขาเงียบตลอดเลยนะรู้สึกว่าไม่โกรธใครแต่พอมีวันนึงมีคนไปแย่เต็มที่เลยปรากฏว่าระเบิดเปี้ยงออกมาโอ้คันนี้เจ็บตัวกันหลายๆลายคนน ะ, ะเจ็บตัวเลยเพราะว่าโดนเขาอจัดการชกต่อยซึ่งปกตินี่ยเป็นคนเรียบร้อยมาก่อนเนาะแต่พอ ร, ระเบิดเต็มที่แล้วก็แสดงมาเต็มที่เหมือนกันนะ อันนี้แสดง เ, เขาเก็บกดมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ทันอารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเก็บกดอารมณ์อยู่เรื่อยๆ เ, นะเก็บกดอารมณ์บางทีก็จากนะปัญหาในครอบครัวบ้างนะอาจจะโดนสามีนะทําร้ายร่างกายบ่อยๆนะหรือนะโดนด่าว่าบ่อยๆต่นะางๆเหล่านี้นะมันก็จะเก็บกดอยู่เรื่อยๆนะ แล้วถ้ า, ารู้จักวิธีการก็เออเราก็รู้จักที่มันผ่อนคลายมาแต่ถ้าไม่ผ่อนคลายนี่อนันตรายนะบางทีก็ทํำลายสามีนะหรือจะทําอะไรที่ร้ายกาจร้ายแรงตามมากเราก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นคนเขาเงียบเงียบเนี่ยเราเป็นว่าเขาด่าเขาไปอะไรเขาเนี่ยก็ยันนึกว่าเขาไม่มีอะไรนะต้องสังเกตให้ดีนะเนาะเกิดการะเบิดขึ้นมาแล้วก็เป็นตายเหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นอันตรายจากการที่เรียกว่าเรารู้ไม่เท่าทันจิตของเราจริงๆแล้วเราก็ไปเก็บเอาไว้มันก็มีอาการต่างๆตามมาถ้าไม่แสดงมาทางร่างกายก็อาจแสดงออกมาในาร่างกายในความเจ็บป่วยบางอย่างก็ได้นะอาจจะมีอาการโรคภัยไข้ไขเจ็บบางอย่างที่มันแปลกๆที่เราหาสาเหตุไม่เจอบางคนนี่ตอนสมัยเด็กๆนะโดนพ่อแม่นะ เรียกว่ามีความลําเอียงในการรักลูกนะรักลูกไม่เท่ากันตัวนี้ก็เก็บกดมาเรื่อยๆนะพอโตขึ้นมาก็จะเป็นโรคบางอย่างที่หาสาเหตุไม่เจอนะจนหาเรื่อยๆจนไปถามหมอจิตวิทยาหมอจิตวิทยาก็บอกว่าเออตอนเด็กๆเป็นอย่างไรก็เล่าให้ฟังหมอบอกว่านั่นแหละสิ่งที่เป็นนั่นแหละเกิดจากเกิดจากการที่เราเก็บมาตั้งเด็กๆแล้วนะก็รักษาโดยทางจิตก็หายได้เนะี่ย ของสิ่งเหล่านี้มันบางอย่างถ้าเราเก็บไว้มันไม่ได้ออกทางร่างกายออกทางจิตใจก็ได้นะออกทางโรคภัยไข้เจ็บก็ได้เนะี่ยเพราะการเก็บกดนี่มาอันตรายนะแต่ถ้าเราสามารถที่จ ะ, จะเจริญสติเป็นเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เก็บกดอะไรเลยนะเพราะรมต่างๆที่เขามาแล้วเนะี่ยจริงๆแล้วเขาก็ผ่า น, นเข้าไปได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้อยู่ในใจเรานานหรอกเขามาแล้วก็ไปนะตามหลักของอนิจจังทุกขงังนตานะเพราะมันไม่เที่ยงมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้นานนะ อ่านะเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปนะเป็นกฎของปไตยรักณอยู่แล้วนะแต่ที่เขาอยู่ในใจเราได้เนี่ยก็เพราะเราไปให้ค่ากับเขานะไปให้ค่ากับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะพอให้ค่าเขาการให้ค่าก็คือไปสนใจเขานะไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะไปคิดคำหนึงนะไปคิดทบทวนนะไปย้ำคิดยำ้ำทำอ่านะในอารมณ์เหล่านั้นนะก็จะอยู่ในใจของเราเนี่ยได้นานนะนานขึ้นเรื่อยๆนะ แล้ยิงไปย้ำคิดไปบ่อยนะมันก็เท่ากับเก็บสะสมอารมณ์นั้นไม่ให้หายไปไหนน ะ, ะบางคนอาจจะเคยโดนคนดา่าโดนคนนินทามาเป็นเวลาถึง4ี่ห้าปีแล้วนะแต่ก็ยังคิดนึกทบทวนอยู่เรื่อยในเหตุการณ์เหล่านั้นน ะ, ะเหตุการณเหล่านั้นมาคิดทบทวนอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นการตอกย้ำให้จิตเนี่ยมันจับได้แม่นขึ้นเรื่อยนะมันจะไม่มีวันลืมนะ พอไม่ลืมมันคิดถึงที่ไรมันก็จะเกิดการเศร้าหมองอเกิดการไม่พอใจหรือจะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ดทุกทุกครั้งเนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วทำไมเราไปคิดเขาทาไมนะจริงๆแล้วคนที่เขาดา่าเราเขาว่าเราเนี่ยเขาก็ลืมไปแล้วเนาะก็ะลืมไปแล้วแต่เราไปคิดเราก็มีความทุกข์เองเนี่ยเราไปโกรธเขาเราก็ทุกข์เองนะไม่ไม่มีใครมาทุกข์กับเราหรอกนะคนที่เราโกรธ เ, เขาก็ไม่ทุกข์ แต่การท่เราไปโกรธเขานั่นแหละเราก็มีความทุกข์ของเราเองนะเหมือนกับคนเขามีดมาแทงเรานะีแล้วเขาก็จากไปแล้วนะแต่เราก็ยังมีดนะอันนั้นมาแทงตัวเองอีกนับครั้งนับนับครั้งไม่ท่วนนะนะก็คือเราทําลายตัวเราเองทําลายจิตใจเราเองจากการนึกคิดนั้นเป็นประจำบ่อยๆอยนะบางคนก็ไม่เคยลืมเลยนะสมัยเด็กๆจะมาก็ยังจําได้ตอนนั้นยาย ยายชอบเล่าเรื่องแม่เออโดนคนก็แกงมั่งด่ามั่งอะไรเงี้ยเล่าให้ตอนนั้นอาตมา ก, ก็ยังเป็นเด็กอยู่ยายจะเล่าไว้ฟังไปประจําบอกญาติคนโน้นนะเขาด่าแม่งเี้ยจําไหมนะอะไรเงี้ยเล่าให้เป็นประจําเลยจะให้เรามีความแค้นฝังใจแบบยายแต่ว่าสมัยนะั้นเราก็ไม่สนใจก็ลืมไปหมดแล้วนะ่ยด่าอะไรมาล้วก็ลืมไปหมดไม่สนใจแต่ยายนี่ก็คงยังมีความทุกข์อยู่ประจําในสมัยนั้นนะจึงได้มาเล่าอยู่เรื่อยๆนะ นี่แหละเพราะว่าสิ่งต่างๆมันก็เกิดตั้งนานแล้วก็ยังจําอยู่นะลืมเมื่อก่อนก็สมัยมก่อนก็ไปอยู่บ้านญาติคนหนึ่งนะลูกเขาก็เสียไปตั้งนานแล้วละ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะปรากฏว่าก็ยังนึกถึงบ่อยๆนะบางทีก็รูปมาดูรูปที่มีชีวิตอยู่ตอนรูปเด็กๆมาดูก็ร้องไห้ไปนะแล้วก็พูดถึงบ่อยๆนะบางทีก็จัดกินข้าวนี่ก็จัด นะจานใส่กับข้าวให้ใหกินด้วยนะแล้วก็เรียกมากินด้วยนะทั้งๆนี้ก็ตายไปตั้งนานแล้วนะนะแล้วเขาก็เสียใจยอยู่เป็นประจำนะจะเห็นว่าสิ่งเ่าเนี้ยก็เกิดจากการที่ไม่ไม่ไม่เคยคิดที่จะปล่อยจะวางอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เลยนำความทุกข์มาให้เราอยู่ประจำนะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วคนเราก็เป็นแบบนี้อยู่เสมอนะนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะ อารมณ์ต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราเองจากการที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยวางอหรือไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นได้นะมันจะนําความทุกข์มาเราอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้นะแต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้เร็วนะปล่อยไปยได้เร็ววางได้เร็วนั่นแหละความทุกข์เราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าถ้าเราปล่อยโดยเท่ากับกระพริบตาเนี่ยความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะ อย่างเช่นมาลุงกยบุตรนีได้ถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์อายุมากแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไร จ, จรึงได้ผลเร็วพระพุทธเจ้าบอกว่ามาลุงไอบุตรเธออย่าเพลิดเพลินไปใน อ, อารมณ์ต่างๆให้ละ อ, ลอารมณ์ต่างๆให้เร็วเหมือนกับกระพิบตาฉันนั้ น, นการที่ไม่เพลิดเพลินไปใน อ, อารมณ์ต่างๆก็คือการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์เหล่านั้ น, นแล้วก็ไม่ไปให้ค่าไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยพอเราไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยนะ มันก็จะละอารมณ์ได้เร็วเท่ากับภพตาฉันนั้นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมันจะนําความทุกข์มาให้เราไม่ได้นะแต่ถ้าเราละไม่ได้อยู่ในใจเรานานแล้วก็มีความทุกข์นานนะอันนี้ก็าเรียกว่าเราไปเพลิดเพลินใ น, นลมเหล่านั้นแล้วนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนั่นะแหละนะเป็นสิ่งที่จิตของเราเนะี่ยไปนะมีสมมุติมีบัญญัตินะมีอุปทานในสิ่งเหล่านั้นนะว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดนะเป็นอุบาทวนเป็นบัญญัติเมื่อเราไปยึดติดในความดีเราก็จะเข้าใจว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาชั่วนะเราไปยึดติดในความถูกเราก็ไปเข้าใจว่าคนหนึ่งเขาผิดและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอุบาทวนที่มาทําร้ายจิตใจเราเองนะแต่ถ้าเราสามารถปล่อยจิตของเราให้เป็นกลางๆได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปยึดในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ดีที่ชั่ว ให้กลับมาทำลายจิตใจของเรานะจิตมันก็จะมีแต่ความเป็นกลางอ่าอย่างเสมอเมื่อจิตเป็นกลางแล้วมันก็คือการปล่อยวางอ่าเป็นในตัวอ่าเมื่อดังนั้นเมื่อลมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในใจของเราไม่ได้นานอนะ่เพราะเราสามารถละเวรทานในความที่เป็นสมมุติเป็นหยติทั้งหลายได้นะนะตรงนี้ก็เลยออกจากลมต่างๆให้เร็วนะเพราะเมื่อเจ้าก็เลยบอกว่าเอออย่าไปเพลิดเพลินในลมต่างๆนะอ่าคราวนี้คนที่มีกําลัง ของจิตเพียงพอก็สามารถที่จะไม่เพลิดเพลินได้อเพราะว่าเขาสามารถรู้เท่าทันอาการงจิตอที่มันกระเพื่อมที่มันไหวได้เร็วอพอรู้ได้เร็วก็ปล่อยได้นะแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีกําลังของจิตแล้วก็ต้องอาศัยการมาเจิญอมาฝึกนะอ่าฝึกในทางสตินะให้เจริญสติให้โตขึ้นเรื่อยๆนะจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้เร็ว <c oughs> การที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่แหละก็เพื่อให้เรารู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองนะ การที่เรารู้สึกตัวรู้สึกในการเคลื่อนไหวของกายนะมันก็จะรู้เท่าทั น, นการเคลื่อนไหวของใจด้วยนะเพราะว่ากายเนี่ยเป็นของหยาบนะเรารู้ของหยาบอีกหน่อยมันก็รู้ความละเอียดในใจของเราได้เร็วขึ้ น, นจากการที่มันรู้ชาก็จะรู้รู้ได้เร็วขึ้นเพราะเราอาศัยกายนี่แหละมาเป็นเครื่องเป็นวิหารธรรมนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะรู้การเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆจิตมันก็ไม่ไปไหนนะ เพราะมันอยู่ในกายนั่นเองนะมันก็รู้การเคลื่อนไหวนัเป็นวิหารธรรมเขาเรียกเป็นเครื่องอยู่นะอยู่กับอะไรก็อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเพราะถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็จะไหลไปในอดีตไหลไปในอนาคตเรารู้ไม่ทันมันแต่เราาใส่กายนี่แหละให้อยู่กับปัจจุบันนะพอใจพอกายอยู่ปัจจุบันแล้วใจที่ไหลเข้าไปในอดีตหรือนาคตเนี่ยเราจะรู้ทันทันทีนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะใจก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ใจที่มีกําลังเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆในใจนะหรือแม้แต่ความคิดนะเช่นความยินดียินร้ายต่างๆได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เรียก ว, ว่าจิตไม่มีกําลังนะมันจะกลายเป็นผู้ตื่นนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตรงนี้นะเพราะจิตของเราเนี่ยมันจะมีกําลังมากเรื่อยๆนะอีกหน่อยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องอาศัยกายที่เคลื่อนไหวก็ได้นะเราก็สามารถสังเกตจิต จะได้ไวัยขึ้นเรื่อยๆและเมื่อสังเกตจิตเป็นแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือเราก็ต้องปล่อยต้องวางนะไม่ไปยึดติดในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเนียมันก็จะได้มันไม่ไปเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะก็จะตรงกับที่พรุทธเจ้าได้ทรงบอกเอาไว้นะกลับมาลุงอยบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยไม่ได้นะจากการที่เราเข้าใจในตรงนี้บ่อยๆนะเราไม่ต้องไปตั้งใจละกิเลสอะไรหรอกใช่ไหมเพราะจริงๆและกิเลสมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะ แต่กิเลสมันเกิดจ า, ากการที่เรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์มันเท่านั้นเองนะพอะรู้ไม่เท่าทันอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็ไปไปไปยึดติดในอารมณเหล่านั้นนี่หละก็คือกิเลสที่มันเกิดขึ้นตามมานะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆในกิเลสมันจะอยู่ในใจของเราไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ทําให้กิเลสมีที่อยู่อาศัยนะเมื่อไม่ทำให้กิเลสไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยเขาก็จึงอยู่ในใจเราไม่ได้นะแต่ถ้าตาบใดที่เราไม่ไปยึดไปติดในรมนั่นแหละ ก็คือการที่เราทำให้กิเลสมีที่อยู่อาศัยนะพอกิเลสมีที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็ใสตรงน้าเป็นความเติบโตของกิเลสในใจของเราต่อมานะมันก็ทำให้เร า, เาละกิเลสไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมนะเมื่อรู้แล้วเราละระวางได้เร็วไหมเนี่ยมันก็จะออกจากกิเลสต่างๆเนี่ยได้เร็วและกิเลสก็ไม่มีที่จะใสนะอย่างที่ว่า มันก็เป็นวิลาคะนิโรโทรจาโกปนิสสะโคมุติอนารโยก็คือทำให้อ่าไม่มีที่อยู่อาศัยของตัณหานะมันก็จะความทุกข์ได้นั่นแหละนะครั้นี้เราก็อาศัยตรงเนี้มาอ่าเป็นเครื่องอ่าศัยของกายและใจของเรานะจากการที่เราอ่าเป็นคนที่อ่าไม่มีเครื่องอาศัยของกายและใจมาก่อนเนาะไม่มีวิหารธรรมมาก่อนนะเราก็จะฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ต่างๆได้เร็วได้ง่าย วันวนึงเรคิดไปสารพัดเรื่องสารพัดราวนั้นก็คือความปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเลยนะความปรุงแต่งนี่แหละมันจะนําทุกมาให้เราตลอดเวลานะนําความทุกข์ต่างๆมาก็เกิดจากความคิดนั่นแหละอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าความทุกข์เกิดจากความคิดเพรอเรารู้ไม่ทันความคิดเราก็คิดไปเรื่อยๆบางทีเราก็มีความเมามันมีความสนุกสนานในความคิดเหล่านั้นนะ มันนาความเพลิดเพลินมาใหเราไปอย่างยิ่งนะเราก็โอ้คิดทั้งวันสนุกดีไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนมาสมัยเด็กๆไปเที่ยวมาสนุกไหมสนุกมากเลยเนาะไปเที่ยวกับแฟนโอ้สนุกมากเนี่ยก็ไหลเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนะอันนั้นก็เรียกว่าเราอรู้ไม่เท่าทันอนาะรมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วนะออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันไม่เป็นความสุขิแท้ทจริงหรอกแต่ก็เรียกว่ามันเป็นความเพลิดเพลินในปัญหานะ อ่าตันหานี่ก็คือกามาตันหานั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไหลไปในทางทําอารมณ์นะคือไหลไปทางจิตใจนะไหลไปในกิเลสแล้วไม่รู้ตัว่าเพิดเพลิไปเรื่อยอ่าพอเพิดเพลิไปเรื่อยๆนก็เราก็ไปติดติดเบ็ดของตันหาแล้วนะติดเบ็ดของตันหาเพราะมันจะต้องมีใจที่มันไปแสวงหามันไปไขว่ดว้าตรงนั้นอยู่ประจำนะจิตมันไม่มีความพอหรอกเห็นไหมมันจะไม่พอในตันหานะเขาเรียกว่าอ่า สิ่งที่จะอิ่มในตันหานี่ไม่มีนะคือว่าบางทีเราจะอิ่มได้นะเราทานอาหารเราก็อิ่มนอนก็อิ่มแต่ความที่จิตมันจะเต็มในตันหาอ่นะจะให้มันเต็มให้มันพอในตันหาไม่มีนะเพราะคําว่าตันหาเนี่มันไม่มีความพอในตัวของเขาเองนะเขาเรียกว่าเป็นหลุมเล็กๆนะแต่หลุมเล็กๆที่มันไม่รู้จักพอะเติมเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักเต็มออื เพราะการที่เขาเติมไม่เต็มนั่นแหละเราจึงต้องสแสวงหามาเพิ่มเติมเขาอยู่เสมออยู่ประจำน ะ, สะแสวงหาในทางตานะั่นก็คือสแสวงหาในรูปนะออรูปจะต้องหาสิ่งที่สวยงามมาบาบัดตัญหาของเราให้ได้นะออต้องไปดูสิ่งที่สวยที่งามนะบางทีอยู่ในบ้านเราไม่พอนะต้องไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยวในสถานที่ที่เราชอบใจออไปเที่ยวชายทะเลบ้างออหัวหิน อ่าชนบุรีพัทยาอ่าไปเกาะต่างๆนะอ่าเดือนนี้ก็มีคนไปเที่ยวภาคใต้กันเยอะนะีไปชมชายหาดนะอ่าชายหาดที่ภาคใต้นะสันป่าตองนะป่าตองนะหรือเกาะภูเก็ตอะไรเนี่ยคนไปเที่ยวกันเยอะนะต่างประเทศก็ไปเที่ยวกันเยอะยะนะเออบางทีถ้าเราไปเที่ยวนะอันตรายนอกจากไปเห็นชายหาดอย่างเดียวนะถ้าใครไปในในช่วงเนี้ยอาจจะช่วงนี้จะน้อยลงแล้วลนะ่ะ แตในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเยอะนะจะเจอฝรั่งเนี่ยนอนอาบแดดก็นเป็นแถวเลยออันนี้ก็จินนาการนะจริงๆไม่ได้ไปดูหรอกเห็นไหมอ่ามันจะมีฝรั่งเนี่ยนอนอาบแดดก็นเป็นแถวอ่าเพราะฉนั้นมันมันก็นํากิเลสมาให้เรานะออนอกจากเราไปเห็นชายหาดแล้วก็ยังเห็นสิ่งที่เพิ่มกิเลสในทางสายตาขึ้นมาอีกเห็นไหมรู้ไม่ทันมันก็ตรายนั่นแหละ อพอดูแล้วมันก็ต like like ิดใจเออยากจะไปดูให้มันมากขึ้นใช่ไอมผู้คนเราเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่ามันไม่ไม่พอเสียงก็เหมือนกันนะเออก็ไม่พอบางทีเราฟังเพลงแล้วโอ้เพลงนี้อมันเพราะจังเลยเนาะอทําไงอยากจะได้ฟังบ่อยๆนะก็ไปซื้อซีดีมานะแต produit, like, ่สมัยนี้ซื้อมันไม่ต้องซื้อซีดีแล้วมันเห็นอาจจะไปโหลดไปไลท์อะไรที่ไหนได้ก็ไม่รู้นะมันก็สามารถเพิ่มกิเลยได้เร็วนะ เพราะนั้นจริงๆแล้วคนเรามันไม่มีอะไรหรอกก็อย่างเงี้ยวันๆห น, น, นึงก็หาแต่เครื่องสนองตัณหาทั้งนั้นรูปก็กินเสียงผลท่พระทำอารมณ์นะมันจึงขายดีนะสิ่งที่ขายดีก็ไม่ใช่อะไรก็เป็นเครื่องสนองตัณหาเราทั้งนั้นนั่นแหละใช่ไหมบางทีเราอยู่ดีแล้วโอ้ไปหาของกินดีกว่านะเข้าไปตามตอกดำซอยที่มันลึกๆนะโอ้ลานไปเปิดในซอยลึกๆ ก, ก, ก็อยู่สายไปหากินกันได้ สมัยก่อนอมีเพื่อนคนนึงนะเขาก็อไปเปิดร้านหาหารอยู่ในซอยลึกมากเลยอแล้วเขาก็แนะนําให้ไปอไปอุ่นหนุนเขาอพอไปอุ่นหนุนให ม, ใหม่มันก็ไม่ค่อยมีคนยังถามเพื่อนว่าเนี่ยมาอยู่ในซอยเนี่ยเราใครก็จะรู้จักนะคนก็น้อยอย่างเงี้ยมั้อย่างเงี้มันจะไปอีกหน่อยมันทําแล้วไม่แย่หรือก็บอกไม่เป็นไรหรอกพอเขากินติดแล้วเขาก็ไปบอกกันเองแล้วเขาก็ เข้ามาเองนะอยู่ในลึกๆมันก็หากินได้ไม่เป็นไรพอหลังนั้นก็ไปครั้งใหม่ก็ทิ้งไปเป็นเดือนๆไปดูโอ้คนก็เยอะเลยนะคนกินกันเยอะเลยก็เลยคุยกับเขาบอกว่าโอ้ทาไมคนเยอะได้นะเขาบอกว่าเนี่ยก็เขาทำมัน่อยคนก็เลยมากินกันเยอะเนี่ยมาขนาดอยู่ในซอยลึกๆนะก็ยังมีคนอุตส่าห์เข้าไปกินกันนะเพราะคนก็แสวงหาในรูปรสกลิ่นเสียงนั่นแหละมันไม่รู้อยากเต็มนะจริงๆเรากินก๋วยเตี๋ยวหน้าตักซอยมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหม แต่เราก็ไม่พอไปกินในที่เดียรเหล่านั้นนะบางคนก็ขับรถไปไกลไกลมากสมัยก่อนก็มีมีน้องชายนี่แหละอยู่อยู่ตายยังหวัดปรากฏว่าตอนเย็นนี่ อ, อเคยเคยคุยก็เออไปกินมื้อเย็นที่ไหนบอกไปกินที่เยาวราชประจําเลยทุกวันบอกว่าไปได้ไงเนี่ยขับรถก็ไปได้ไงต้องไกลขนาดนี้อก็บอกก็ชอบกินที่เยาวราชนะมีพวกอาหารทะเลเยอะนะ มีพวกอะไรกุ้งเผามีอะไรเนี่ยอยู่เมืองชายทะเลไปกินอาหารทะเลในเยาวราชอยู่ประจามันก็แปลกเดียวกันนะเนี่ยมันก็ดิ้นรนกันไปตามกิเลสแต่ละคนนะอ่าตรงนี้เราก็า้องรู้ให้ทันทันกิเลสทั้งหลายอะไรที่มันจะมาหลอกเรานะเรากิเลสที่มันลายกาศยิ่งว่านั่นก็คือกิเลสในกามกามตันตานี่แหละอ่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยคนเรานะมันอันตรายตรงนี้นะ ชีวิตครอบครัวมันก็แตกแยกกันเป็นบ้านแตกสลายขาดก็เกิดจากการมาตัญหานี่แหละก็คือไม่พอใจในคู่ครองของตัวเองนะไปยินดีในคนอื่นเขา อ, อาจจะมีเขามีเจ้าของแล้วก็ยังไปยินดีนะหรือไม่มีเจ้าของก็เราเรามีของเราเองอยู่แล้วแล้วก็ไปยินดีคนอื่นเขามันก็เป็นการผิดในการมทั้งนั้นนะทุกวันนี้ก็มีมากมายนะก็สามารถสังเกตได้ว่ามันมีมากจริงๆ นะเพราะว่ามีการเปิดนะอะไรโรงแรมบ้มานลูอะไรเยอะแยะสมัยนี้นะมันเป็นเรื่องที่มันอันตรายทั้งนั้นนะนะตรงเนี้ถ้าคนที่ไม่รู้จักจิตใจตัวเองก็จะไหลไปในลมต่างๆที่มันต่ําได้ง่ายนะนะเพราะว่ากิเลสมันจะไหลลงต่ําอยู่แล้วนะมันจะไหลอยู่ตลอดเวลานะพอมันไหลแล้วมันไม่ได้นําความสุขมาให้เราหรอกใช่ไหมมันนําความสุขแค่วัปเดียวหลังนั้นความทุกข์ก็ตามมานะ เขเรียกว่าความสุขและความทุกข์นี่มันติดกันนะถ้าเราสแสวงหาความสุขความทุกข์ก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะนะตรงนี้เราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกนะสิ่งที่เราเป็นปกติเป็นกลางๆนี่แหละก็คือเป็นความสุขแล้วนะเขาเรียกวา่าเป็นความสุขนะจากความประณีตของจิตของเราเองนะเรามาปฏิบัติธรรม เราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนนะอันนั้นเป็นความสุขที่มันอยากอยากแล้วมันไม่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนะเป็นความจุจอความสุขจอมปลอมทั้งนั้นแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือเกิดจากจิตของเรานี่แหละมันมีความสงบไหมนะมีความเป็นปกติไหมนะมีความเป็นกลางๆไหมเนี่ยนี่ก็คือความสุขที่มันประณีตนะประณีตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะความสุขตรงนี้มันมันต้องมันไม่ใช่เกิดจากการแสวงหานะ แต่เกิดจากการที่เราสามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้เร็วไหมนะปล่อยวางการที่เราปล่อยวางนะะั่นะจิตมันจะเป็นกลางๆได้เองนะมันจะไม่ไปยินดียิน้า้นะมันจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่มลงนะก็ใส่การที่เร า, ามีสติอยู่ปัจจุบันนี่แหละมันก็เป็นวิหารธรรมนะให้จิตเนเขามีเครื่องอยู่ของเขาเองเนะอ่านเะพราะว่าถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่แล้วมันจะต้องไปแสวงหานะความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงอีกนะ ไม่มีที่สิ้นสุดนะเขเรียกว่าบ่อน้ําเล็กๆแต่เติมเท่าไรมันเียกเต็มเพราะจิตไม่ไม่ไ ม, มีวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่อาศัยนะแต่ถ้าเราทําให้จิตเนะี่ยเขามีวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่อาศัยแล้วนะก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละจิตก็จะมีเครื่องอยู่มีงานให้ติดทำจิตก็จะไม่ไหลไปตามลมต่างๆก็ไม่ไปแสวงหาการมาลมไม่ไปแสวงหาตัณหา ไม่ไปสแสวงหาความสุขในรูปแล้วิ่นเสียงซึ่งเป็นการสแสวงหาของปุถุชนผู้มกักมากด้วยกิเลสต่างๆเขาสแสวงหากันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตมันมีงานทํามีเครื่องอยู่แล้วนะจิตมันก็จะสงบโดยอัตโนมัติได้ไดเองจิตจะเกิดความเป็นกลางนะมีความเป็นปกตินะและในสุดแล้ความผ่องใสก็จะตามมาก็คือนะไม่มีตันหายเป็นเครื่องอาศัยของจิตนะเมื่อจิตมีกําลังเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตก็จะวะละ คลายตันหาไปได้โดยอัตโนมัตินะที่เปรียบเสมือนว่าพระุทธเจ้าบอกว่าเ อ, อช่างไม้เนี่แหละเขาก็ใช้มีดมาเป็นเครื่องมือในการทํา เ, เครื่องมือช่างไม้นะก็ไม่รู้หรอกว่าด้ามมีดมันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อใช้ไปนานเข้าก็จะเห็นว่าด้ามมีดมันสึกไปเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะอยู่กับความมีสติมีสำชัญญะมีความรู้สึกตัวในตรงนี้ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่ากิเลสของเราเนี่ยละไปหมดไปวันละเท่าไหร่ แต่เมื่อนานไปเราจะเห็นว่ากิเลสของเราเนี่ยเริ่มจะละเริ่มจะบางเริ่มจะน้อยลงไปได้บางแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอ่าสิ่งที่เราอ่าจะต้องมาทํากันให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันลดลงบางลงน้อยลงถึงแม้มันจะไม่หมดไปก็ไม่เป็นไรแต่ให้เขาน้อยลงก็ใช้ได้แล้วนะตรงนี้มันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะให้ในการที่จิตมันจะมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆที่จะรู้เท่าทันนะกิเลสเล็กๆน้อยที่จะเข้ามานะ พอรู้นะมันก็จะวางวางไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆน้อยไปเรื่อยๆนี่แหละจิตจะมีกําลังในตรงนี้นะวราจริงๆแล้วเราไม่ต้เวไละกิเลสหรอกก็แค่เรารู้ทันแล้วก็วางเท่านั้นเองนะเขาก็จะอยู่ในใจเราไม่ได้ต่อไปและเมื่อนักหลักความสุขทิฏฐาวนก็จะมาปรากฏขึ้นในใจเราตลอดกาลนานเนา ะ, ะก็ขอใทุกท่านเจริญในธรรมมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆไป